โสบอวิตตกะตื ก, กะเป็นต้นหนึ่งเหตุทุกขะสี่สเอ็ดสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งเป็นเหตุอาจัจสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจาร์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิ้าวาระอารมณปัจจัยมีสิ้าวาระอธิปติปัจจัยมี14บวาระและถึงปุเรชาตปัจัยมีสิบสี่วาระ อาศัยวันะปัจจัยมีสิบสี่วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบห้าวาระสี่สิบสองสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมียี่สิปดวาระและถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบปดวาระสี่สิบสาม สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรกซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระและถึงวิปากาปจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระส4สิบสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคบื้องบนสามซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาค์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระอรมณะปัจจัยมีสิบสีวาระอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี14วาระสีสิห้จจ า, า, จจ า, จจา 45. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากาปจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระละถึงอาเสวนาปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสิบสองถึงส3บสปริตฐติกกะทะวยะหนึ่งเหตุทุกกะสี่สิบเจ็สภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิเอดวาระอารมณปัจจัยมีสิบอดวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระอสวะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิเอดวาระสี่สิบสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปริตะเป็นอารมณ์ ซึงไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี13วาระอารมณะปัจจัยมี13วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมี9วาระอาศัยวณปัจจัยมี9วาระละถึงอวิคตตปัจจัยมี13วาระ 14-17 เห็นนาตกะเป็นต้น1เหตุทุกกะ สสภาวะธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระห้าสสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรม ที่ไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีเก้าวาระละถึงวิปากัุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตาตุปัจมีเก้าวาระห้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจย่อ เหตุปัจจัยมี26วาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีส5้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี26วาระ 52. สภาวธรรมที่ไม่ใช่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุ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 นิสยปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีหกวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระมัครปจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสาวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบแปดถึงสิบเ้า อติตะเตกกะทวยะหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอดีตและที่ไม่เป็นอนาคตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอระจจารมณ์ปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีสาวาระละถึงปุปานิเสยปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระ 54. สภาวะธรรมที่มีดิดจธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีหรือธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสิบเจวาระอารมณ์ปัจจัยมีสิบเจวาระอธิปฏิปัจจัยมี9้าวาระละถึงุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระอายตเวนปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี17วาร ะ, าระจจยีะ่สิบถึงจจยี่สเอด อ, จจอชัตตติกะทวยะ หเหตุ 1> 1. ทุกขะห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ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 อธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาศัยวณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระยีส่สิบสองสัญญาชนะติกะหนึ่งเหตุตุทุกระห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดข e i mean ึ้นเพราะเหตุถูป um ัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุกลับกันแล้วมีมูลสามเพิ่มเพิ่มเป็นยี่สิบเอดวาระเหตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระอรมาณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบเอดวาระยี่สิบสองชนิทัศนติกะ 2, สองเหตุถกะทุกกะห้าสิบแปดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งมีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุป <จ Sports S 2> ัจจัยมีเจดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิชตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระ ยี่สสองสนิทัศนะถกะสามถึงหเหตุสัมปยุตตทุกะเป็นต้นห้าสิบเกสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุตยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุติเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปิวิจักเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปิวิจักเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิอดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมี21 ara, าม students, mm hmm. าวาระหกสสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุ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 สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุติเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปวิจากเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้น ay, ness, Although, nou, doo, เพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหกสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุตัปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อ เพศุปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระหมายถปฏิปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระยี่สิบสองสนิทัสนะเถระเจ็ดจุลันตระทุกะหกสิสาสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งโดยอารมณปัจจัยย่ออารมณ์ปัจจัยมีสามวาระอธิ ป, ปติปัจจัยมีสามวาระอุปนิเสยปัจจัยมีสามวาระหกสิบสี่สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเห็นได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อาธิตติปัจจัยมีห้าวาระละถ nah, ึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เห็นได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้โดยอรมณปัจจัยย่ออรมณปัจจัยมีสามวาระอาทิตติปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตตปัจจัยมีสามวาระหกสิบห้าสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งกระทบได้อาิบายสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระละถึง อัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหส สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซ really ึ่งเป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เลิกกระทบได้ซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบอดวาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิเอดวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิยคตะปัจจัยมียี่สิเอดวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้เลิกกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นรูป อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหกสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นโลคิยะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ internet, และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโล ก, กุตระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นโลเคียอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลเคีย เกิดข <pouch. S 2> ึ evet. creator, seven seven ้นเพราะเหตุป well, hey, ัจจัยมีเจดวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นโลกิยะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้กระทบได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกิยะเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระย่อเหตุปัจจัยมียี่สิเอดวาระอธิปฏิปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโลกุตระอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหกสิบแปดสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งจิต บ, บางดวงรู้ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่จิต บ, บางดวงรู้ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมีสาสิบห้าวาระปารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีสิบห้าวาระละถึงอวิ ורה, คตะปัจจัยมีสาสิบห้าวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่จิตบังดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตบังดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมีสามสิบห้าวาระอริมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสิห้าวาระและถึงอวิภัตตะปัจจัยมีสามสิบห้าวาระยี่สิบสอง ชนิทัสนะตกะ14อาสวรโคจระ69สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ değil, ซึ่งไม่ใช่ you, ไม่เป็นอาสวะเก <Jonah> ิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจใจมียี่สิเอดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สเอดวาระเจ็ดสิสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียีสเอดวาระอธิปติปัจจัยมียีอดวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียีสิเอดวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็ดสิเอ็ดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งวิปยุจจากอานสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุจได้อานสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปจจตัปจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปยุจจากอานสวะ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปยุจักอาสวะเกิดขึ้เนเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเอดวาระเจ็ดสิบสองสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้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 ยอ่อเหตุปัจจัยมี21่สิบอวาระประมณปัจจัยมีสาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ73สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอาสวะและสัมยุตได้อาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปวิจากอาสวะเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสมวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งจำปยุติอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปวิจักอาสะวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็สิบสี่ สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปยุจจากอาสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอาทิปติปัจจัยมี21วาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี21ดวาระ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งวิปยุจจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปยุจจากอาสะวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงออยวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสนิทัศนติกะยี่สิบ ชันโยชนะโคชพระเป็นต้น75สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้เนเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจั ย, ย, จยมีสามวาระและถึงอวิภตตปัจจัยมีสามวาระ76สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นคันธะ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจ จ, ยย จ, จัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็สิบเจ็สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโอคะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโอคะเกิดจจขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจยยใจมีสามวาระเจ็ดสิบแปดสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นโยคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจยยใจมีสามวาระเจ็ดสิบเ้าสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นนิวรณ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นนิวร์ like <one> <things> เกิดขึ้นเพเราะเหตุปัจจัยย่อเ <yeah. S 1> หตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระแปดสิบสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นปรามาตอาศัยสภ <things> าวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นปรามาตเก <ulus Athena> ิดข <nevertheless> ึ <sleeping kids> ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสองสัญทัศนะติกะห้าสิบห้ามหันตะทุกะแปดสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจใจมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีมี2สิบดวาระอธิปติปัจใจมีมี21วาระและถึงอัญญามัญญปัจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจใจัยมี21วาระ แปสภาวธรรมที่เห็นไม่ได erm ้และกระทบไม่ได <si ้ซ hey evet ึ่งเป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมี21อวาระอรมณปัจจัยมีสาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ 83. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี21วาระอระมณะปัจจัยมี3วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ84สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมปยุติจิต อาศัย nope. สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัม well ปัตยุติจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปิยุจักจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่วิปิยุจักจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี่สิบวาระ อธทิตติปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมียี่สิบเอ็ดวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้เนเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจใจมียี่สิเอ็ดวาระอรมณปัจจัยมีสามวาร ะ, รา ะ, าระละถึง อวิคตตปัจจัยมี28วาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งสัมพยุทธิจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมพยุทธิจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งวิปยุจักจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่มวิบยุจจากจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี21ดวาระอธิปฏิปัจจัยมี21วาระและถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสมวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี 21, ดวาระแปสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งรักคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิต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 อัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ86สหสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุดฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อเหตุปัจจัยมี21วาระอรมณะปัจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยยี21ดวาระ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเคตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระปสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาจายสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีอดวาระ อรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระแปสิบแปสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 360. ย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัย ส, สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตเปิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาร ะ, าระรอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียี่สิบอดวาระแปดสิ้าสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ระควรกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฐาน เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยย่อเหตุปัจจยัยมี21วาระอารมณปัจจยัยมีสวาระและถึงภวิคตะปัจจยัยมี21วาระ90าสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งรักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ระกคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต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 เหตุปัจจัยมี21วาระประมณ์ปัจจัยมี3วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี21วาระ91สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งรักพึกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่รักพึกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ระควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งม่ใช่ไม่ใช่ระควกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียีอวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมียี่สิบเดวาระ 92. สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ซึ่งเป็นภายในอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสิบอดวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเอดวาระ สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นภายนอกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมียีสิบเอดวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมียีสิเอดวาระ9กสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งเป็นอุปาทิยรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ซึ่งไม่เป็นอุปาทโยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี35วาระอธิปติปัจจัยมี35วาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสมวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี35วาระสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นอุปาไทโยรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นอุปาไทโยรูป เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ94สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณปัจจัยย่ออารมณปัจจัยมีหวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอุปาน AH so ิเสยาปัจจัยมีหกวาระละถึงอาหารรปจจัยมีสิปวาระอวิคตะปัจจัยมี18วาระสภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี21วาระ สหชาตะปัจจัยมี21วาระนิสยปัจจัยมี21วาระกัมมปัจจัยมี21วาระละถึงมรรคปัจจัยมี21วาระวิปยุตตปัจจัยมี21วาระอติปัจจัยมี21วาระอวิคตะปัจจัยมี21วาระ